บทภาชีนีนิสักียปาจิตตีห้าภิกษุบสาสทำสันถัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตินิสักียปาจิตตีภิกษุน์ใช้ผู้อื่นให้ทำสันถัดที่ตนทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตินิสักียปาจิตตีภิกษุน์ทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตินิสักียปาจิตตีภิกษุน์ใช้ผู้อื่นให้ทำสันทัดที่ผู้อื่นทำค้างไว้จนสำเร็จต้องอบัตินิสักียปาจิตตี